ทบทวนตามลำดับยานบางท่านไม่ได้พบกับพญายานอาธีวนรณยานนิพพิทายา น, น, ายานและมูลจิตตุกรรมยตายานเป็นเวลานานจึงอาจเข้าใจยานเหล่านั้นไม่ชัดเจนดังนั้นถ้าท่านต้องการจะยังเห็นอย่างชัดเจนก็ควรอธิษฐานให้เกิดยานทีละอย่างเช่นถ้าอธิษฐานว่า เราจะกำหนดความเกิดดับเท่านั้นภายในครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนี้ขออุททัยายานจงปรากฏเมื่อเป็นดังนี้อุททัยายานจะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวโดยไม่บรรลุยานขั้นสูงกว่านี้ภายในเวลาที่อธิษฐานไว้เมื่อครบเวลาที่อธิษฐานแล้วพังคยานที่ยังเห็นความดับไปอย่างเดียวจะปรากฏต่อจากนั้น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 มุลจิตตุก ร, รมยตายานที่ต้องการพ้นไปจากสังขารจงปรากฏมุญจิตตุกรรมยตายานย่อมมาปรากฏในเวลานั้นเมื่อมุญจิตตุกรรมยตายานมีกําลังแก่กราแล้วก็ควรน้อมใจว่าขอปฏิสังขารญาณที่ยังเห็นโทษจงปรากฏ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 แม่ท่านจะได้กระทําความตั้งใจไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสั่งสมบุญไว้ในภพนั้นๆน 00: 00. แม้ท่านก็ได้กระทําความตั้งใจไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิาสัยเพื่อวิวัตรในภพนั้นๆด้วยเหตุนี้การสร้างบารมีทั้งสิบมีทานบารมีเป็นต้นจึงเป็นอุปนิาสัยเพื่อการบรรลุธรร like ม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 ซึ่งผ่านการปฏิบัติธรรมมาเป็นอย่างดีและสามารถแนะนำให้บรรลุวิปัสนาญาณขั้นต่างๆจนบรรลุมรรคยานผลยานปัจเจเวคขณะยานและการเข้าผลสมบัติดังข้อความในสังยุตติกายนิทานวักว่าดูกร ะ, ระภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชารามรณนะตามเป็นจริง